นี่อย่างที่เราเห็นนะก็มีชาวจีนทั้งชายและหญิงนะจะบวชทั้งพระแล้วก็บวชชีนั้นทั้งหมดที่ประมาณสามสิบกว่าคนนะก็เรียกว่าเดินทางกันมาตั้งแต่วันที่สิบหกนะมาด้วยศรัทธาตั้งใจจะปฏิบัตินะไม่ใช่เพื่อทำตามประเพณีนะคนจีนเขาไม่มีประเพณีบวชเพื่อ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 ก็สื่อสารกันด้วยภาษาไม่ค่อยได้มีหลายคนเขาคุยเขามาสนทนา น, นี่ก็ได้เห็นความตั้งใจเขาเลยนะว่าเขาตั้งใจที่จะ บ, บวชเพื่อหรือปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพานเลยอันนี้ก็น่าแปลกใจนะเพราะว่าเขาก็เรียกว่าหางเหินห่างจากพุทธศาสนามานานนะประเทศจีนก็อย่างที่เราทราบนะก็เคยตกหรือตอนนี้ก็กลังตกอยู่ภายใต้การปกครองคอมมิวนิสต์นะ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 ศาสนาขาดช่วงไปไม่มีพระนะต้องให้พระไทยไปสืบต่ อ, อสมณวงศ์นะที่ประเทศศรีลังกาเมื่อตักสองสามร้อยปีที่แล้วของเรานี่ต้องเรียกว่าโชคดีนะที่ได้มีพุทธศาสนาสืบเนื่องกันมาเหมือนกระแสน้ำที่ไม่เคยขาดตอนแต่ว่าอ่า ความศรัทธาของคนไทยนะในพุทธศาสนาวันนับวันก็ดูจะน้อยลงนะแต่คนจีนนี่เขามีความศรัทธามากแล้วก็ดูจะเพิ่มขึ้นทุกทุกวันทุกวันเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีกปนะอันนี้ก็มีศรัทธามากนะลา ง, งานมาบวชคนเหล่านี้นี่ก็เรียกว่ามีอาชีพที่ดีนะแต่ว่าเขาคงจะพบว่า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 เนื้อไก่เนื้อหมูเนี่ยก็คงจะได้กินตอนวันกรรมกรแล้วก็วันตุจดจีละมั้งเพราะเป็นวันสําคัญของเขาชนบทไทยเมื่อสามสิบปีก่อนนี้กินหมูกินเนื้อในถี่กว่านั้นสิเนะสมัยก่อนเขาลาบากกว่าหมู่บ้านในชนบทแต่นี้เขาจเจริญนะ จเจริญเรียกว่าทําเมืองใหญ่ๆของเขานี่มันลุดหน้ากว่ากรุงเทพซึ่งนะไม่ต้องพูดถึงเซียเซ่ยงไฮ้นะเซี่ยงไฮ้นี่มันจเจริญมานานแล้ว <c oughs> แต่ว่าเมืองอย่างกวางโจวเนี่ยโอ้ตึกสูงนี่เป็นสิบยี่สิบชั้นนี่เยอะมากลดลถเมย์ก็ดีกว่าของของกรุงเทพเส่งนะขอสอมกอกเราเนี่สู้รถเมย์ในกวางโจวไม่ได้เลยนะทั้งทั้งที่เขาเพิ่งจเจริญมาได้สัก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 ก็ทําให้เศรษฐกิจของประเทศเราันะ้นที่ซบเซานี้ก็กระเตื้องขึ้นมาได้เพราะเงินของนักท่องเที่ยวจีนเมืองไทยก็เหมือนกันนะมันตลบปัดนะแต่ก่อนนี่คนไทยต้องส่งเงินไปให้คนจีนโยมพ่อโยมแม่แต่มาที่ส่งเงินไปให้พี่น้องเมืองจีนนี่มาตลอดเลยนะเพิ่งเลิกไปเมื่อสักยี่สิบกว่าปีมานี่เองเคยไปเยี่ยมเขาเขาจนกว่าเรานะเมื่อยี่สิบปีที่แล้วก็จนกว่าเรามากแต่เดี๋ยวนี้นี่เขารวยกว่าเราเยอะเลยนะ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 นะผู้หญิงก็โกนหัวผู้บทชีนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าน้ ม, มนุ่นะันาถ้าคนไทยเรามีความตั้งใจปฏิบัติอย่างคนจีนนะพุทธศาสนานในไทยก็คงจะเจริญกว่านี้มากนะเราก็เตรียมรับพอนนะ